เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากมิยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายเสกกรคนชอบเล่าขออนุญาตท่องบทกลอนสักนิด น, นะครับหลังจากที่ไม่ได้ท่องมานานมากแล้วการลืมนะครับแต่ว่าเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวจากท่านสมาชิกที่แชร์ส่งต่อมาให้ผมได้ถ่ายทอดนะครับ จะเป็นเรื่องราวของใครบ้างขอเชิญรับฟังครับเรื่องนี้ส่งมาจากคุณศักดิ์ศรีเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับมนดำมนแดงคําว่ามนดำเราเราท่านท่านก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับแต่คําว่ามนแดงเป็นยังไงเรามาทําความรู้จักพร้อมๆกันไปเลยดีกว่าครับคุณศักดิ์ศรีเล่า ว, ว่าสวัสดีครับพอดีผมไปได้ยินเรื่องราวนี้มาจากอบางคนนึงซึ่งแกเป็นคนแถวภาคใต้ ตัวแกนั้นได้เมียเป็นคนอีสานก็เลยย้ายที่ทำงานมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดและตัวผมเองก็เป็นคนร้อยเอ็ดครับบางคนนี้ก็ตามชื่อและสมญาแกนะครับว่าแกเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนตัวผมนั้นเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมพระเครื่องและตัวของบางคนที่ว่านี้ก็เป็นคนที่ชอบสะสมพระเครื่องเช่นกันฟังดูแปลกไหมครับแกเล่าให้ผมฟังว่าอิสลามเองก็มีของเหมือนกันเป็นคุณใสคล้ายๆกับของเขมรและของไทยนั่นแหละ มันมีชื่อเรียกกันว่ามน ด, ดำกับมนแดงความหมายของสองชื่อนี้ก็คือมน ด, ดำนั้นคือมนที่ใช้เพื่อพิฆาตมีอำนาจสั่งฟ้าบัญชาสั่งฝนสั่งฟ้าบัญชาโทรณีสั่งเหล่าทวยเทพคนทันพูดผีปีศาจอสูรและมานต่างๆให้ทำตามคำสั่งได้และการที่จะฆ่าคนด้วยมน ด, ดำนั้นทำง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือหากว่าจะสก็ย่อมทาได้แต่ไม่ได้สาดให้เป็นหิน จะสาบให้เป็นอะไรตายตายแบบไหนกี่ราตรีถึงจะตายหรือตะวันตรงหัวแล้วตายดวงอาทิตย์ตกดินแล้วตายหรือจะสาบให้ลูกฆ่าพ่อแม่หรือจะสาบ ใ, ให้พ่อแม่ฆ่าลูกก็ย่อมทําได้ตามใจมนต์ดำแต่ละคัมภีร์จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปและแต่ละคัมภีร์ก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันมนต์ดำเป็นมนต์ที่สามารถจะถ่ายทอดสู่กันได้แต่ในบางคัมภีรและบางเล่มจะมีเพียงผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ละผู้ที่ถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ก็ดีบุคคลอื่นก็ดีตนเองนั้นจะต้องตายภายในเจ็ราตรีมนดำในบางเล่มและบางบทจะมีความโหดเหีเ้ยมอเมฮิตแตกต่างกันไปใครที่ถูกมนดำก็จะต้องแก้ด้วยมนดำจะแก้ด้วยมนอย่างอื่นไม่ได้คนที่ใช้มนดำเขาก็มักจะสาบไว้ด้วยก็คือห้ามแก้ใครคิดแก้ก็ต้องตายเหมือนกันจะกล่าวก็คือใช้ว่ามีแต่มนดำและจะแก้ไขได้นอกจากจะมีคนที่เก่งถึงขั้นสามารถแกะมนดำได้ การแกะมลก็คือการนํำอามลของฝ่ายตรงกันข้ามนํามาใช้เป็นของตนเองได้แล้วทําการตีตราโลหิตหรือสาบห้ามคนอื่นเอาไปใช้หากฝ่ายตรงกันข้ามใช้ก็เท่ากับต้องคําสาบเป็นในตัวมลดํานั้นถือกันว่าเป็นมลนที่อยู่เหนือมนตราทั้งปวงแต่ก็ยังมีมลดําที่เหนือมลดําขึ้นไปอีกบางคนก็มีมลดํามาตั้งแต่กําเนิดหรือว่าจะให้เรียกง่ายๆก็คือของคู่บุญบา ร, รมีที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อน ละเท่าที่สังเกตมน ด, ดํานั้นจะบอกถึงจิตใจของผู้ที่ได้ครอบครองมันหากในจิตใจลึกๆของเขาหรือสันดานนั้นเองเป็นอย่างไรจะามน ด, ดํานั้นก็จะผลักออกมาให้เห็นแสดงเป็นตัวตนโดยชัดเจนเช่นถ้าเขาเป็นคนมีจิตใจดีหน้าตาก็จะแจ่มใสดูดีเป็นคนดีแต่หากว่ามีจิตใจที่ชั่วร้ายแล้วล่ะก็ใบหน้าและการกระทําก็จะแสดงออกมาให้เห็นการทําชั่วแบบชัดเจนวิธีการที่จะทําให้หมน ด, ดํานั้นมีฤทธิ์ที่มากขึ้นมีวิธีดังนี้ วิธีที่1คือการฆ่าตัวตายด้วยวิชาของตนเองเรียกว่าเลือดล้างคัมภีจะทําให้มีฤทธิ์มากขึ้นขลังขึ้นวิธีที่2คือการอาบแสงจันทร์ในคืนวันศุกร์ขึ้น13บสามคำ่ำในทางสายเวยจะเรียกว่าจันทร์สีเลือดและทําการไร้เวทของตนเองจะทําให้หมนต์นั้นขลังขึ้นในวันนั้นพู้ผีปีศาจมารอสุรกายและอาถรน ต, ต่างๆที่ต้องแสงจันทร์จะแรงขึ้นด้วยนี่คือมนต์ดำ ส่วนบนแดงคือมนแห่งโชคชะตาในทางของอิสลามถ้าใครที่ต้องมนแดงโชคชะตาจะเปลี่ยนไปและทําให้ถึงตายเช่นกันมนเหลืองคือมนยาสัง่งคือไม่ต้องปรุงยาแต่ใช้มนเสก ข, ของกินก็เป็นยาสั่งแล้วกินร้อยคนคนตายคนเดียวเป็นบนทางฝั่งลาวอบาบังยังเล่าให้ฟังถึงเดรชาณวิชาอีกว่าคือการใช้ของสกรปรกและวิธีการสกรปรกของต่ํายกตัวอย่างเช่นคุณยาสัง่ง คือการอาส่วนที่สกปรกที่สุดของผีตายหงที่เป็นผู้หญิงอายุจะต้องไม่มากใช้มีดเฉือนมาแล้วเอามาตากแห้งเอามาปลุกเสกลงอักขระวิธีใช้ก็คือนำมากแกว่งน้ำให้กินซึ่งผู้ที่ได้กินนั้นหากเป็นผู้หญิงได้กินแล้วก็จะต้องตายแต่ว่าจะตายเมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับอายุของผีตายโหงตนนั้นเช่นหากผีตายหงตนนั้นตายเมื่ออายุ20ปีหญิงใดที่ดื่มเข้าไปจะอยู่ได้เพียงแค่อีก20ปีก็จะตาย วิธีแก้ก็คือต้องขออนุญาตนะครับคือต้องนําเอาขนเพชรบริเวณที่สกรปรกของคนทํานำเอามาเผาไฟใส่น้ําให้ผู้ป่วยดื่มจึงจะแก้ได้ส่วนหากผู้ที่ได้ดื่มเป็นผู้ชายได้กินก็จะหลงบางกายังบอกอีกว่าถ้าหากว่าโดนของอิสลามก็แก้ไม่ยากก็คือการจะต้องใช้น้ําล้างอวัยวะเพศของมหามาดํานํามาผสมน้ําอาบเพียงแค่นี้ของที่เข้าตัวก็จะเสื่อมออกไป หรือไม่ถ้าหากว่าถูกยาแฝดยาสั่งก็ให้กินน้มามะพร้าวอ่อนเยอะๆและของจะหลุดไปเองแล้วแกจึงบอกอีกว่าของแขกของอิสลามที่ว่าแก้ยากก็เพราะไม่รู้เคล็ดหลายๆคนคิดว่าขมຈ์คือเจ้าแห่งคุณใสเวลามีคนดนของจําพวกสเสน่ยาแฝดคนไทยนิยมใช้น้ํามันพรายหรือไม่ก็ใช้ของต่ําเช่นเอาน้ําประจําเดือนให้ฝ่ายชายกินซ่อนผ้าอนามัยที่เปื้อนเลือดไว้ใต้ที่นอนอันนี้หากผู้ชายได้กินน้ำมันแก้หรือหาของที่ซ่อนไว้เจอ ของนั้นก็จะคลายออกของเขเมร น, นั้นนิยมฝังหุ่นคือจะใช้หุ่นชายหญิงมัดหน้าเข้าหากันและผูกดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดสุดสร็จแล้วก็เอาไปฝังไวใต้บนันไดวิธีนี้ก็แค่หาหุ่นให้เจอและแก้สายสินที่ใช้ผูกหุ่นไว้หรือแค่ทําให้ได้นั้นขาดของนั้นก็จะเสื่อมลงส่วนวิธีการทําเสน่ห์ของอิสลามก็คือการนําไก่ที่ต้มแล้วมาทําพิธีท่องคถาผู้ทําเสน่ห์นั้นจะต้องแก้ผ้าทุกชิ้นร่ายรำไป ร, บรอบๆของเส้น โดยที่หมอนั้นจะท่องคาถาไปเรื่อยๆแล้วเมื่อใดที่ไก่นั้นลุกขึ้นมาบินก็เป็นอันว่เสท็จพิธีวิธีนี้เป็นวิธีเดียวในโลกที่ไม่มีคาถาแก้คนที่โดนทําเสน่นั้นจะอยู่กันจนตายโดยวิธีนี้มีอยู่จริงพบได้ในแถบกะเหรี่ยงแก่งกระจาจังหวัดเพชรบุรีแต่ปัจจุบันนี้หมอไส้นั้นไม่ยอมทําง่ายๆครับและนี่ก็คือเรื่องราวของมนดำํำมนแดงกับคุณไส้ที่ผมได้คุยกับอาบังมาหากว่ามีคําพูดใดที่ไม่สุภาพต้องขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับจบแล้วนะครับเรื่องราวจะคุณศักดิ์ศรีมาต่อกันอีกเรื่องดีกว่าครับเรื่องนี้ส่งมาจากหมอปล า, อ, าอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นหมอปลามือปราบนะครับแต่เป็นหมอปลาสมาชิกเพื่อนของเรานั่นเองเรื่องราวของหมอปลาจะเป็นอย่างไรเขาเชิญรับฟังครับสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะแชร์นี้คือเรื่องราวของพ่อผมเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีก่อน พ่อผมเป็นคนจังหวัดหนองคายครอบครัวและญาติญาติเป็นคนต่างจังหวัดกันหมดในสมัยนั้นวิถีชีวิตก็คือหากินอยู่กับป่าและเขาตลอดทั้งครอบครัวของฝ่ายแม่ผมและครอบครัวของฝ่ายพ่อผมพ่อของผมนั้นแกชอบเข้าป่ากับปู่ของผมเข้าป่ากับปู่มาตั้งแต่อายุประมาณ10บขวบเข้ามาตลอดจนกระทั่งอายุประมาณ22ได้พ่อผมก็ได้เข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็ได้แต่งงานกับแม่ผมอ่าแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่าครับ การเข้าป่ากับปู่ตั้งแต่เล็กจนโตของพ่อผมนั้นถ้าคิคดๆแล้วเกินกว่า50ครั้งแน่นอนแกบอกว่าเคยเข้าลึกที่สุดระยะทางมากกว่า20กิโลแล้วก็อยู่นานหนึ่งสัปดาห์ได้พบกับเหตุการณ์ที่แปลกมามากมายและเรื่องที่ผมจะเล่านี้ก็คือหนึ่งในเรื่องที่พ่อของผมไปพบเจอมาในครั้งที่ได้เข้าป่าครั้งสุดท้ายอ้ลืมบอกครับพ่อผมชื่อเล็กพ่อบอกว่าค่าวันนึงปู่ได้บอกว่าเฮ้ยไอเล็ก สูนี้เช้าเดีวเข้าป่าก่นกูว่าจะเข้าไปเอาวานกับเห็ดหน่อยเดี๋ยวไปฝั่งโป่งตับนะพ่อผมก็ตอบว่าไกลนะพ่อขี้เกียจเดินนะ่ะปู่ก็บอกว่าเอาไอ้นี่เพื่อจะได้เนื้อเก่งเนื้อกวางมากินกันจะขี้เกียจทําไมมึงนี่จะรอกินอย่างเดียวหรือหลังจากที่โดนบน่นพ่อของผมก็เลยตอบรับไปส่งๆแล้วรุ่งเช้าจึงได้ออกเดินทางพร้อมกับของที่จําเป็นอันจะมีด้วยของเส้นไหวในการเปิดป่าบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขา ปู่ผมนั้นจะพกปืนลูกซองส่วนพ่อนั้นพกปืนแกบพอถึงช่วงบ่ายๆก็เดินทางกันจนถึงจุดที่จะหาของที่ต้องการพ่อผมก็ได้ไปนั่งพักที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งปล่อยให้ปู่เดินหาของที่แกจะหาต่อไประหว่างนั้นปู่ก็หันมาบอกกับพ่อว่ารออยู่นี่นะอย่าเดินไปไหนหมั่วสั่วละเดี๋ยวนางไม้เอาไปอยู่ด้วยกูไม่รู้นะที่ปู่พูดแบบนั้นก็เพราะว่าพ่อผมนั้นเป็นคนที่หน้าตาค่อนข้างจะหล่อเลยทีเดียวและปู่แก่ก็ได้เสริมว่า รู้สึกต้นไม้มันจะเหมือนเหมือนกันหมดแปลกไปนะพ่อผมได้ฟังจริงตอบว่าอืมรีบๆหารีบๆเก็บเถอะเดี๋ยวจะนั่งรออยู่นี่หลังจากนั้นปู่ก็เดินแยกไปหาของบริเวณใกล้ๆสักครู่หนึ่งสายตาของพ่อผมก็เหลือไปเห็นเก้งตัวหนึ่งอยู่ตรงพุ่มไม้ด้วยความสนใจแกจิงก็ค่อยๆย่องตามไปคิดและมุ่งหวังว่าจะยิงให้ได้แต่เก้งตัวนั้นก็ยังคงกระโดดต่อไปอีกนิดต่อไปอีกนิดแล้วจู่ๆมันก็กระโดดหายเข้าไปในพุ่มไม้ พ่อผมเห็นดังนั้นจึงรีบตามไปตรงพุ่มไม้แต่ปรากฏว่ามันได้หายไปแล้วพ่อผมจึงเผืออุทานว่าเอ๊ะทําไมมันไวจังวะหลังจากที่ยืนงงอยู่ครู่หนึ่งจึงคิดได้ว่าควรจะหันหลังกลับแล้วไปนั่งรอที่เดิมแต่เมื่อพ่อผมได้หันหลังกลับไปปรากฏว่าต้นไม้ที่เห็นนั้นมันไม่เหมือนเดิมพร้อมกับมีโขดหินมากมายทําให้พ่อผมนั้นตกใจมากรีบวิ่งไปวิ่งมาเพื่อจะหาทางออกแต่ก็ไม่พบจึงได้ตัดสินใจตะโกนเรียกปู่ ตะโกนหลายครั้งสุดเสียงก็แล้วแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับบรรยากาศรอบตัวเวลานั้นที่เห็นฟ้าเริ่มจะมืดลงเฮ้อะไรกัน ท, ท, ทั้งๆที่เพิ่งจะบ่ายทำยังไงดีและในระหว่างที่สับสนอยู่นั้นพ่อผมจึงคิดได้ปืนเรามีปืนคิดได้ดังนั้นพ่อจึงรีบยิงปืนขึ้นฟ้าหวังให้ปู่ได้ยินปงังสิ้นเสียงปืนสักพักพ่อก็ได้รู้ว่าไร้ผลเวลานั้นไม่มีอะไรที่มันจะดีมากไปกว่าการเดินหาทางออกเดินไปและก็เดินไป ยิ่งเดินก็ยิ่งวกไปเวียนมาสุดท้ายก็ได้แต่วนมาที่เก่าในสมองของพ่อตอนนั้นคิดและมั่นใจว่าตัวเองได้เจอกับอาถรรพ์ของป่าแล้วแน่ๆหรือไม่ก็ผีสางต้องเล่นงานเมื่อเดินไปจนเหนื่อยจึงได้หยุดพักด้วยความอ่อนล้าท้องฟ้านั้นก็มืดลงเหมือนกับจะเป็นเวลาพลบค่ําบรรยากาศรอบตัวรู้สึกเหมือนกับว่ามีตัวคนเดียวอยู่บนโลกนี้และผลจากการที่เดินหาทางออกมาเป็นเวลาเนิ่นนานพ่อจึงได้เผลอหลับไปไม่รู้ว่านอนหลับไปนานเท่าไหร่ ตัวพ่อก็ต้องมาสะดุ้งตื่นเมื่อมีอะไรเย็นๆว่าๆมาเกาะที่หน้าผากเมื่อได้สติจึงรีบลุกขึ้นทันทีแล้วก็กวาดสายตามองออกไปสิ่งที่เห็นก็คือหิ่งห้อยตัวหนึง่งหิ่งห้อยซึ่งก็คงจะไม่แปลกถ้าขนาดของมันไม่เท่ากับนกกระจอกพ่อตกใจมากเจ้าหิ่งห้อยตัวนั้นเห็นพ่อแล้วก็บินออกไปแล้วก็หยุดพ่อจึงได้นั่งลงเมื่อพ่อนั่งลงมันก็บินเข้ามาหามาอยู่ในระยะที่ใกล้ๆพอพ่อลุกขึ้นมันก็บินออก เมื่อห่างได้สักระยะมันก็หยุดอีกเมื่อพ่อเห็นดังนั้นพ่อจึงเดินข้าไปหามันแล้วมันก็บินออกไปพ่อเลยหยุดแล้วก็เดินกลับเข้ามาแต่เจ้าหิ่งห้อยตัวนั้นก็บินตามพ่อกลับมาอีกคล้ายๆกับการเล่นเอาเถิดกันพ่อยอมรับว่ากลัวมากตอนนั้นเพราะว่าเจ้าหิ่งห้อยตัวนั้นมันเป็นหิ่งห้อยที่ใหญ่มากเท่าที่เกิดมาและเคยเห็นและเมื่อพ่อได้กลับมานั่งที่เดิมเจ้าหิ่งห้อยตัวนั้นก็บินเข้ามาใกล้ระยะห่างประมาณวานึงพ่อมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะอยากให้พ่อตามไป ระหว่างที่เงุงงงอยู่นั้นหูของพ่อก็ได้ยินเสียงหวีดเสียงคนเดินไปมาพ่อดีใจมากคิดว่าต้องเป็นปู่แน่ๆจึงตัดสินใจตะโกนเรียกปู่ออกไปเงียบและไม่มีเสียงตอบรับใดๆแต่หิ่งห้อยยังคงบินอยู่ตรงหน้าพอพ่อยืนขึ้นมันก็บินออกไปอีกพ่อจึงตัดสินใจเดินตามมันดีกว่าเพราะว่าไม่มีทางเลือกยังดีกว่าอยู่กับบรรยากาศอย่างนี้ที่ท้องฟ้านั้นมืดลงเรื่อยเรพ่อเดินตามหิ่งห้อยไ ป, ไปครู่ใหญ่ๆหญ่สายตาของพ่อก็เริ่มสังเกตเห็นว่า ป่าเริ่มเปลี่ยนไปฟ้าเริ่มสว่างและเจ้าหิ่งห้อยตัวนั้นก็ได้สลายไปเมื่อดนแสงที่สว่างขึ้นและทันทีหลังจากนั้นเสตาพ่อก็ได้เห็นพุ่มไม้ที่ตามเก้งมาท้องฟ้าและบรรยากาศรอบข้างนั้นสว่างเป็นปกติและเมื่อมองสายตากวาดไปก็พบปูก่กำลังนั่งสมาธิอยู่พ่อจึงรีบเดินตรงเข้าไปหาปู่เมื่อเข้าไปใกล้และถึงปู่แล้วปู่จึงได้ลืมตาขึ้นและก็บอกพ่อว่ารีบๆกลับกันเร็วไม่ต้องถาม ระหว่างนั้นพ่อผมอยู่ในอาการที่กําลังตะลึงทําอะไรไม่ถูกงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปู่จึงได้เรียกสติพ่ออีกครั้งบอกว่าให้รีบกลับและเมื่อสติพ่อกลับมาพ่อจึงได้รีบเดินตามปู่ออกไปปู่บอกกับพ่อว่าผีนางตะเคียนมันจะเอามึงไปเนี่ยนนะ่ะพ่อผมได้ยินก็บอกว่าก็แค่ตามเก้งไปพอตามไปแล้วไม่เจอหันกลับมาป่ามันก็ไม่เหมือนเดิมปูเ่เลยบอกว่ า, วาผีมันบังตา ม, มึงและพ่อก็เล่าให้ปู่ฟังถึงเรื่องของหิ่งห้อยสิ่งที่ปู่พูดกับพ่อก็คือ นั่นนะกูส่งมันไปเอามือออกมาจริงๆรงมันก็คือใบไม้นี่แหละด้วยความสงสัยพ่อเลยถามว่าแล้วทายังไงคําตอบของปู่ก็คือไม่ต้องรู้หรอกรีบกลับเถอะบอกว่าอย่าเดินหมู่สัวไม่เชื่อแล้วยังไงล่ะเกือบไม่ได้กลับบ้านแล้วมึงและนั่นก็คือเหตุการณ์ที่พ่อของผมยังจําได้ตลอดครับจบไป2เรื่องแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่มาจากคุณ Big l เลิฟคลาสสิเป็นเรื่องราวของคาถาอาคมของปู่ทวดมาฟังกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง สวัสดีครับผมชื่อบิครับเป็นเด็กใต้จังหวัดพัทลุงเรื่องราวที่ผมอยากจะแชร์ก็คือเรื่องราวของปู่ทวดผมที่พ่อได้เล่าให้ผมฟังและตัวผมก็นำมาแชร์ต่อให้ได้ฟังกันเรื่องราวมันมีอยู่ว่าพ่อผมเล่าว่าปู่แกในสมัยยังไม่แต่งงานเป็นคนที่มีวิชาทางด้านสายเวทป้องกันตัวยงพอตัวเลยทีเดียวแล้วก็ยังเคยเป็นพรานมือฉมังอีกด้วยในยุคนั้นบ้านเรือนต่างๆยังปลูกห่างกัน พื้นที่รอบๆ บ, บริเวณยังเป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากด้วยเพราะไฟฟ้าและถนนยังไม่มียังใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซกันอยู่เมื่อตกเวลาค่ำมืดก็จะเข้านอนกันแต่หัวค่ำช่วงนั้นจะมีโจรเยอะมากโดยเฉพาะโจรลักวัวลักควายชาวบ้านทําให้เดือดร้อนกันไปทั่วตามจับก็ตามไม่ได้สักครั้งและเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าพวกโจร น, นั้นมันจะได้ใจปูท่ทวดของผมนั้นก็เลี้ยงวัวไว้หลายตัวทําคอกวัวไว้ข้างบ้าน แล้ววันนั้นช่วงเสฉะายหน่อยมีชายสองคนทําทีว่าจะมาขอซื้อวัวช่วงนั้นปู่ทวดบอกว่ามีเงินน้อยนึกว่าถ้าขายไปสักสองตัวก็จะไว้เป็นทุนก็เลยมีการพาไปดูวัวเพื่อจะขายเมื่อคุยกันเรียบร้อยแล้วก็มีการนัดหมายกันว่าพรุ่งนี้จะกลับมาพร้อมกับเงินซื้อวัวก็เป็นอันว่าปิดข้อจบสนทนาการคุยกันแต่ลักษณะของสองคนนั้นดูท่าทางไม่ค่อยน่าไว้วางใจที่คิดอย่างนั้นก็เพราะว่าระหว่างที่ดูวัวกันนั้นมันไม่ค่อยจะสนใจวัวกันเลย ทำตีสนิทเดินดูรอบบริเวณบ้านเดินดูรอบคอกวัวพฤติกรรมเช่นนี้จึงทําให้ปู่ทวดคิดขึ้นมาได้ว่าช่วงนี้วัวควายมันหายกันเยอะเหลือเกินหรืออาจจะเป็นไอ้พวกนี้ก็ได้และเมื่อเวลาผ่านไปของวันนั้นจนจะใกล้มืดปู่แกก็ได้เตรียมการเอาวัวเข้าคอกและสุมไฟไล่อยู่ให้วัวเมื่อแล้วเสร็จแกก็เอาดาบเล่มหนึ่งของแกออกมาพร้อมกันนั้นแกก็ยกมือพนมว่ากระถาบทหนึง่งโดยขณะที่ว่าแกก็เอาปลายดาบเล่มนั้นขีดเส้น แล้วก็เดินรอบบริเวณบ้านของแกจนรอบและเมื่อถึงเวลาตกดึกคืนนั้นก็เป็นอย่างที่แกคิดแกได้ยินเสียงคนเดินเหยียบใบไม้แห้งแบบยองๆเข้ามาทางหลังบ้านด้วยความหูไวของแกแกก็ตื่นขึ้นมาแล้วแกก็ใช้ใสายตาของแกแอบดูทางรูฝาบ้านคืนนั้นเป็นคืนที่เดือนสว่างพอที่จะเห็นอะไรได้บ้างแล้วสิ่งที่แกเห็นก็คือชายสี่คนกําลังย่องไปที่คอกวัวอีกคนดูต้นทางอีกคนเปิดประตูคอกอีกสองคนเข้าไปจุงวัวออกมา แล้พวกมันก็รีบเดินออกไปสิ่งที่พวกมันทํานั้นปู่ทวดแอบดูอยู่และเห็นด้วยตลอดแต่แกก็เฉยเฉยและก็ไม่ได้อิอะโวยวายอะไรให้พวกมันต้องตกใจอยากเอาก็เอาไปแต่ทว่าพวกมันนั้นจุงบัวยังไม่ทันผลบริเวณบ้านพวกมันก็ต้องชะงักแล้วก็หยุดอยู่ครู่หนึ่งและพวกมันก็เดินย้อนไปอีกด้านหนึ่งของบ้านสักพักก็เดินย้อนกลับมาทางด้านเดิมแล้วก็เดินย้อนกลับไปอีกด้านหนึ่งของบ้านเหมือนเดิมเมื่อปู่ทวดเห็นอย่างนั้นแกก็เลยนอนต่อ สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่แกนอนหลับอยู่นั้นก็คือจะพวกนั้นมันเดินไปเดินมารอบบ้านทั้งคืนจนสว่างเหมือนว่ามันจะหาทางออกไม่เจอและพอเช้าขึ้นมาปูท่ทวดก็เดินลงจากบ้านพร้อมกับดาบเล่มนั้นและเมื่อแกมองไปทางข้างบ้านก็เห็นพวกโจรกำลันงนอนแผ่รามหมดสภาพกันอยู่และก็เป็นจริงอย่างที่แกคิด 2- อในสโจร น, นั้นก็คือคนที่จะมาขอซื้อหัวนั่นเองปากของพวกมันกำลังพึมพำอย่างเดียวว่าปาปาปาป า, ปาช่วยด้วยช่วยด้วยหลงปา เพื่ปู่ทวดแกเห็นเช่นนั้นแกก็เอาสันดาบเล่มนั้นเคาะเบาๆเข้าที่หัวจากนั้นก็เอาน้ําสา์เพื่อเรียกสติให้กลับคืนมาสักพักเมื่ออาการดีขึ้นแล้วปู่ทวดก็ถามพวกมันว่าเป็นยังไงเมื่อคืนเที่ยวป่าสนุกไหมพวกมันก็ขอร้องว่าอย่าให้เอาเรื่องมันเลยมันเข็ดแล้วปู่ทวดแกเป็นคนใจดีแกก็เลยปล่อยมันไปเพราะด้แกรู้ว่าจากเหตุการณ์นี้มันคงจะเข็ดกันไปจนวันตายคงไม่คิดที่จะไปขโมยทรัพย์สินของใครอีก และปู่ทวดของผมแกะก็สิ้นอายุไขเมื่ออายุร้อยหปีครับและนี่ก็คือเรื่องราวของปู่ทวดผมหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับครับและคลิปนี้ก็จบลงไป3มเรื่องนะครับเรื่องแรกจากคุณศักดิ์ีเรื่องที่2จากหมอปลาเรื่องที่3จากคุณ Big Love ฟ l a s ส i c ก็3มรสชาตินะครับบังว่าคงจะทำให้ท่านผู้ฟังมีความสุขไม่มากก็น้อย น, นะครับอ๋อแล้วเรื่องแรกที่มี18บบวกต้องขออภัยด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าจะบิดเนื้อหาหนีไปยังไงดีเอาเป็นว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ